สนัาเท่าไรเท่าร้อหาสิบแปดห้าสิบนะครับสิขาบนทีน่สี่ิสูรรูปใดใช้ภิสูรนีผู้มิใช่ยากให้ซักก็ดีย้อมก็ดีทุกข์ก็ดีวิธีสร้างอย่างหนึ่งใช้ทุกเอา โ, โดยไม่ต้องยีปัจจุบันในมาม่ายังมีทำอยู่ ซึ่งจีวอเกัาของโอนต้องอาบัดปาสิตีที่มีการเสียสละเป็นวิ่นหงายกรับผมนึกถึง่พี่ใอกเลยนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรการสร้างจีวอนครับเขาจะมีเอาผ้าไปต้มไ่อะไรด้วยนะครับี่นะแล้วก็มาทุบทเอกนะเอกประพาโซนะพอะว่าแกไม่ได้ทับผ้านี่นะ เอาภาพไปท่องเลยภาพแบนี้ครับพอย่นัเป็นอะไรจุดอ๋อนั้นเับเกลื่อนแกน่ะแกนเป็นที่ให้ขู่ให้ครับขูดแทนอืมครับเลือตอบนะครัอันไรครับและก็กระเทียมทานนี่ครับบอกว่าพี่สุนีผู้วิชาญาณเนี่ยก็ไม่ใช่เนื่องถึงการในเจ็ดชั่วโคตรหรอครับ ไม่ได้เป็นอะไรนะนะปลูยาก้าตาทวดแล้วไล่หมาเลื่อยที่ปั้า น, นะอ่าอะไรไม่ได้เป็นนั้นนะครับลูกหลานไม่ไดเป็นทุกอย่างมีบางอย่างเอาหญ้าถ้าชั่วโคตนะอืมครับแล้วก็ใช้นะครับใช้ในป้านะใช้ก็คือต้องเอาเออกไปวางให้เขาให้ในมือเลยนะครับหรือว่าวางให้หรือว่าโยนให้กแ็แล้วแต่นะแต่ตัวองอยู่ในระยะสิบสองสองนี่นะครับ แล้วก็ใช้ไปครับแต่ว่าถ้าอยู่ไกลนะฝากคน อ, อื่นเอาจเพื่อที่สมีซักให้อย่างนี้ครับในนี้ไม่เอานะต้องใช้แบบแท่กลกันอย่างนันเลยครับอันนี้ไม่ยากนะเพราะว่าพิสมีเอาไปย้อมเอาไปซักไปย้อมไปทุบให้ก็ต้องมารีสเคียร์ไปตีความนี้แค่แดนหนึ่งนะก็ต้องมารีสเคียร์ไปตีได้แล้วนะครับใช้แค่ซักแค่ย้อมรู้แค่ทุบ แต่ว่าถ้าเราใช้ทั้สามอย่างเลยเนี่นจะเป็นอะไรนะครับจะเป็นอามบาททัตินเสต์คีด้วยอย่างเดียวนะครับที่เดียวก็จะเป็นอามบัติที่กดไปนะครับอันนก็มีอะไรนตามตามตัวสุดท้ายหมดเลยนครับไม่ใช่ในในนิวตันมันอย่งองส อ, องดาวนิวตันนิวตันมันอย่างนี้มาจากใค่นะครับ ก็มันใหญ่ามาจากเข้าไีเอ้าวเริกลับมาแล้วนะเข้าไทย่ะโอ้เนี่ยเรืะะเร่ อ, ง น, นองนี้นะรับเรื่องราวบ่งกันนะเนี่ยน้องฟังแน่เนี่ยคื <c oughs> ตัวเข้ามานะ <c oughs> นะครับหน้าเจ็ดร้อหกสิบเจ็นะครับท่จะดูตาดูสมัยนะพิมพ์ว่าภาพพิมพ์ว่าภาพเจ้าป็ท่ำอยู่นะพระเชษวนันอารามของนาธานบินิกาข้ามบริเตนพนครสามวัตถีครั้งนั้นปุราติยิกา ก็คภรรยาเ ก, ก่าของท่านพระ อ, อุทานีบวชอยู่ในสำนักพิสุณีเนี่ยสามีก็บวชที่สุขใช่ไหมเสด็จภรรยาก็บวชพิษุณีองค์บวชั่งสองคนเลยนะครับนางมายังสำนักท่านพระ อ, อุทานีเสมอแม้ท่านพระ อ, อุทานีก็ไปยังสำนักพิสุณีนัน้นเสมอมก็ยังมีความผิดพันกันอยู่นะถึงว่าจอดบวชแ้านะผูกพันกันอ ย, 6, อ ย, อยู่และบางครั้งก็สนหนาอยู่ในสำนักพิสุณีนะ เช้าวันหนึ่งท่านพระอุทัยยีพรอนตะนาวศพแล้วแล้วถึงบาจีวางเข้าไปหาพิสุณีนั้นเห็นสันนากครั้นแล้วนั่งบนอาสนะนะครัพอหน้าบนอาสนะทำยังไงเปิดองค์กําเนิดนะครับเบื้องหน้าพิสุณีนะครับคนจะกําหนักมากนะครับว่าเขาบอกออกมาเลยนะเปิดกําเนิดที่ดูเลยแม้พิศุณีนั้นก็นั่งบนอาสนะเปิดองค์กําเนิดเบื้องหน้าท่านพระอุ กำหนั่งเหมือนกันนะไม่คือมีข้อเมือนกันนะครต่างกัต่างก็เปิดใหมนกันนะแล้วก็มีความกําหนั่งนะครับได้แท่งดู อ, นน อ, อ ง, งค์กําเนิดของนาทำอะไรไม่ได้อ ง, งอแต่แท่งมีกําหนั่งมากเลยแท่ง ไ, ไปแท่งมาจอสุจิเคลื่อ น, นครเพื่อนเลยเอสุจิได้เคลื่อนจอากองค์กําเนิดของท่านพระอุทยีเระอุทยีได้พ่อได้พูดเคาะนำาำว่าดูก่อนน้องหญิงเธอจงไปหาหน้ามา ความจริงครับฉันจะสร้างขั้นอันตราหวันศุกนะครับความจริงนะแกก็ต้องการก ใ, หกให้พิสมีเนี่ยสร้างให้เราแกทํำไปพูดอย่างนี้เฉยเนี่ยซาตบาย์มันงั้นนะครับนางก็บอกว่าส่งมาถึงเจ้าข้าดีฉันเองจากทักถวายนะครับครั้นแล้วนางได้ดวูสุจีนั้นของท่านส่วนหนึ่งะครับผู้หญิงก็กําหนัดหน้าดูนะก็ดวูสุจีเข้าไปสชวนหนึ่งอีส่นหนึ่งได้สอบเข้าไปในองค์กําเนิดนะครับ นางได้ตั้งคทางข้อเหตุนั้นแล้วเพราะก็มีอสุจิมีอะไรเข้าไปก็ตั้งครางเลยทีนี้พิศณีทั้งหลายเขาเหยียเข้านะก็ได้พูดกันอย่างนี้ว่าพิสุณีรูปนี้ไม่ใช่พรมจารีพิสุณีรูปนี้จึงมีครันเนี่ยอ้าวตั้งทางนี่ยังไงแสดงว่าไม่ใช่พรมจารีพูดก็พรมจารีแล้วก็ไปมีอะไรผู้ชายหรือมาตั้งเขาอย่างนี้นะนางพูดว่าแม่เจ้ามีฉันไม่ใช่พรมจารีก็หาไม่ ครั้งแล้วนได้แจ้งความนัแก่พิสุนีทั้งหลายก็เลาเรื่องสามวันเป็นยีเนนยงตั้งคันะครับยีเจนพิสุทั้งหลายเลยแกล้งเท่าดีเจนปรนนาว่าสัญญาท่านเท่าทานยีเจงให้พิสุนีสักจีวอนเก่าและแจ้งความนักแก่ทั้งหลายบิดาที่ถุกผู้มั่งน้อยสังดลบก็แกลงเท่าดีเจนปรนนานะครับแล้วก็ก่าดถึงพระเจ้าสมซาช่วงก็ประชุมสองสงข้อหาสองตเตียนผทานีนะครับ แล้วก็มยายัดสุดท้าหมทนี้ขึ้นมาเนี่ยพระองค์ต่ัสว่าบุรุษที่วิ่ใช่ญาติย่อมไม่รู้การกระทํามันชั่วรูดการกระทําอันหน้าเรื่องใสหรือไม่หน้าเรื่องใสของสตรีที่วิ่ใช่ญาติและพระองค์ก็มยายัดบนี้ขึ้นมาก็มาดูน้ำคำอธิบายเนะในการหาหน้าร้อยสิบอธิบายปุราณะจีวรสัสขานบท สิขาบุที่ว่าไม่จีวรกก่าครับคุณนนะคะสาราบอธิบายสิขาบุที่สี่ต่อไปคําว่าอัญญาจิการยักแปล ว, ว่าผู้ไม่ใช่ญาอธิบายว่าไม่ได้ น, นับเนื่องทางใดทางหนึ่งจะเป็นทางมารดาก็ดีจะเป็นทางอีดาก็ดีจนถึงยุคที่เจ็ดนะครับก็คือเจ็ดชั่วข้อนะไม่ได้เนื่งกันเลยนะครับคําว่าพิขุนิยาหมายถึง พิจุนีนะครับผู้ผสมบทในพิจุนีสองอย่างเดียวอันในพิจุสองเห็นที่ิจุสองอย่างเดียวเมือนผู้อนาสกียะที่ข้าหญิงสากียะห้าร้อยองใช่ไหมที่บตาพระนางมหาบัณฑิตโพธมีนะครับครั้งนั้นนับพิจุนีสองนี่ไม่มีหรอกเพราะเขาเป็นพู้แรกใช่ไหมที่นี่เข้าบวกับก็สออย่างเดียวนะครับก็หมายพิจุนีที่บวกับก็สออย่างเดียวอย่างนี้นะก็จะหญินสากียะน้ครับฉะนั้นนะครับหรือ ที่หมายถึงพิษณุพูบวจะสงสองฝ่ายคำว่าโบรานนั้นจีวรันความว่ า, าแปลว่าจีวรเก่านะจีวรที่ย้อมแล้วทํากับปากเินทุกนู่รือหมเพียงครั้งเดียวครบก็ชื่อว่ากายนะหรือจีวรใดที่มุ่งการใช้สอยเวลาเดินทางก็ผ้าไว้บนบ่าก็ดีนี่นะบนศีรษะก็ดีหรือเวลานอนก็เอามาคลุมโปง จีวร น, นั้นถึงน้ำว่าเป็นจีวรเก่าเหมือนกันจีวก่าเหมือนกันคำว่าทวารไปยีวาที่เพราะคุณทราบนะครับความว่าถ้าผิ้สูพูดว่าเธอจงซักนะครับคนเเลอหรือขยับร่างกายให้รู้นะก็ใช้ด้วยวาจาหรือว่ากายก็แล้วแต่นะเนี่ยให้ตั้งสัก น, น, นะครับวางไว้ในมือด้วยมือตอนหรือวางไว้ใกล้ท้านะครับ อยู่ในระยะที่สองสอบโยมไปข้างบนนะหรือสอ่งให้ผู้นําไปแทนนะแต่มีู่ในระยะที่สองสอบนะครับจีวรที่นําพิสุนีสร้างแล้วถือว่าเป็นอันให้นําพิสุนีสร้างก็ถือว่าเป็นการใช้สร้างก็ลักษณะนี้แม้ในการย้อมั้นการทุบ ก, ก็มีในนี้เหมือนกันเมื่อพิสุให้นางสิขามานาสามเณรีหรือบาศิกาทักให้ ถ้าหญิงนั้นบวชแล้วจึงสร้างให้คุณอย่างนี้ที่สุดก็ต้องปฏิเสธไปดีเหมือนกันครับใช้ตอนที่ท่ยังเป็นอุบาสิกานะแต่เ้ายังไม่สร้างหรอกเขาบวชเป็นพิสุนีก่อนแล้วสร้างให้ครับก็ปฏิเสธเหมือนกั น, กนแต่ถ้าใช้เยอะเขาตอนนี้เขาไปโยมเขาไม่ได้บวชหรออันนี้ไม่เป็นอาบัตินะครับใช้โยมผู้หญิงเนี่ยโยมพ่อยยมแม่โยมพี่อลไรใช่ไหมสร้างจีวรให้ไม่มีอาบัตินะครับไม่เป็นอาบัติ กลับไปบ้านใช่ไหมโอ้ตมาเหยียดซักจริงว่าเนื้อหนักนะราดเยียมไม่จะดัว่เพิ่งกลับไปวันแรกใช่ไหมไปเยี่ยมมนาะให้ซักให้นครับนี่ก็ไม่เป็นไรถ้าอิ่นั้นอันนี้ว่านครับให้ผ้านในมือของบางส่งหรือสัมณะถึงขนาดนี้นะจะให้บางส่งหรือสมณะซักให้นีครับถ้ามันเพียงแท่ตามห้ใผู้หญิงใชนไหครับโอ้ <c oughs> บวชเป็นพิสุิ์ดีก่อนแล้วจึงสร้างให้ต้องบนิสิกิยไปตีเหมือน ก, นกันการให้ย้อมและการให้ทุกก็เช่นเดียวกันแต่ในสิกขาบทนี้คุณสรางวิธีการสละในโดยในนี้ว่าต่างกันแต่ทำนะครับทำเสียสละนะอิทังเมพันเตกุรานจิวรังอนยาจิกายาปิขริยาโทวาจิตังอิสักยัมท่านผู้เจริญจีวันเก่าของผมนี้ ใช้นาพิจุนีมิช่ญาครับใช้นาพิจุนีผู้ไม่ใช่ญ า, าสร้า่งให้เป็นนิสกีนะคร็รผู้ไม่ใช่ญาติเา น, นั้นทะครับประเภทยอาบัติสิกขาบทรนี้พระท่านเจ้าทรงพระอุทานีเถระบัญญัติแล้วข้อเหตคือการให้นาำพิศุนีสร้างจีวรเก่าสิคขาบัตนี้เป็นอาชาพราห้าบัญญัติ พิซนี้ไม่มีนะครับเขาคงใช้ซาร์จวอกันเอน้าเนี่ยพิซนีมีปัญหาอยู่แล้ว เ, เป็นสนารนติกรไม่เกี่ยวกับการใช้นะครับอะไรเงี้ยนติกรก็คือถ้าเราไปตั่งคนอื่นอีกทีหนึงใช่ไหมสั่งคนอื่นท่านะ ใ, ให้พิซณีเที่ทยเอาไม่ต้องนะครับในกรณที่แบบอยู่ไกลๆเ น, นนะีรูปไหนเป็นคนใช้รุ่นนั้นนะครับเป็นคนต้องรับ เมื่อนะครับเมื่อพิสูจนสั่งว่าเธอจงสร้างถิ่นต้นพิสูนีที่พิสูจสั่งอย่างนี้ก็ได้จัดแจงเตาถิ่นต้นยังไงมันจะมีการต้มนะเข้าไปจัดแจงเตาตั้งโครงตั้งปืนครับทุกๆประโยชน์ความพยายามของนางพิสูจต้องแบบทุกกฎนะครับทุกความพยายามเท่อเลยก็จีวอพอนางพิสูนีสร้างและยกขึ้นพอเขาสราเสร็จแล้วใช่ไหมยกขึ้นอย่างน้อย หรือว่าย้อมเสษนะครับหรือทุกเศษต้อนอน่สติยาไปดีนะครับเมื่อพิสุให้จะทํากิจสามอย่างเลยหรือสองอย่างนะมีการสร้างเป็นต้นเป็นสกิยาไปดีด้วยกิจอย่างเดียวนอกนี้เป็นทุกข์บนะครับใช้ท่อสารท้องตองเลยมันก็จะเป็นอามบัตตัวเดียวหน้าอี่สกีตัวเดียวนะครับอีกสองตัวที่เหลือนะครับมันจะเป็นอามบัตทุกข์ไปแต่ถ้านาพิสุนีที่พิสุให้ ใช้นในสร้างอย่างเดียวกลับไปทํำกิจทุกอย่างหมดครเป็นขะยันนะช่วยทำเวลาหมดเลยถ้าใช้หนึ่งเดียวเพราะการสร้างเป็นเหตุเท่านั้นนะครับทําให้ต้องอาบัดก็ด้วยการกล่าวทั้งเดียของพิสุผู้กล่าวว่าจงทํากิจที่ควรทําในกีวรนี้ดังนี้ต้องอาบัดทุกกฎสองตัวกับอานบัดไปดินตัวนะะเพราะว่าคําว่าจงทํากิจที่ควรทําในกีวรนี้มันคุมหมดเลยใช่ไหม กลุ่การสร้างการย่อการทวบหมดเลยนะครับเมื่อพิสูจน์ใช้นาะพิษุณีผู้ประสมบทจากพิษุณีสองฝ่ายเดียวพิสูณีย์เขาต้องบวชจะสองสองฝ่ายนะแต่ตอนนี้เขาเพิ่งบวจากพิสูณีสองฝ่ายเดียวยังไม่ทําบวชจากพิสุจนสองอ่ะครับอันนี้ก็จะเป็นอนลัยที่กดนะครับเมื่อไม่ยอมจับยังใช้สอยอยู่ก็ดีอันนี้นะใช้สอนว่าถูกที่เป็นใจทีนะครับนี่ต้องมาทุกคน ให้ทราบภาพของพิสื่นก็ดีใช้สร้างแต่ไม่ได้สรงีวรเาให้สังีวรของพิสรูปอื น, นะครับนีก็ต้องทุกกดให้ทราบภาพที่ศรีรษะหน้าหรือภาพครูนอนก็ดีนะครับไป่ต้กดเลยพิสูจนี่เป็นญาเข้าใจว่าไม่ใช่ยากก็ดีครับสองสายก็ดีต้องอบัรทุกดนะครวบโอ้ยท่วงเลอันนี้นะ <c oughs> ไม่มีของไม่มีนะไม่เป็นไรนะพิษณียจะไม่มีนะครับสมัยนี้นะแล้วก็ฟังไว้แล้วกันครับเผื่อว่าเราเกิดนะต่อนไปเกเกิดในสมัยพุะเจ้าอ๋อครับนีนะที่มีพิษณียอยู่ก็เป็นคนสายปัจจัยไปได้นะเรียนที่ไหนมนดีนะครับเราก็จะเข้าใจอ๋อเขียนว่าพิษณีย์ปัญอย่างนี้นะอะครับต่อไปนะครับอันนี่นะตั้งมาทุกคน พิสูนีผู้ไม่ใช่ญาติสำคัญว่าเป็นญาตก็ดีสงสัยก็ดีต้อมปฏิเส ธ, ธ, ธไปดีเท่านั้นะนะอันนี้เหมือนกันนะเมทีญาตนะครับทําไมญาตแล้วก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองว่าเข้าเป็นญาตมันอยู่ห่าง ก, กันนะครับอยู่คนละหมู่บ้านใช่ไหมถ้าที่เป็นยากเราแต่เามไฟังข่าวมากขึ้นอย่างเงี้นะบนรีก็เข้าใจถือว่าเป็นญาติได้ครับอันนี้ส่วนคำ อ, อื่นจากนี้ไปในฐานะเช่นนี้ ข้าเจ้าจะกล่าวว่าเป็นกิการไฟดีนะครับต่อไปเราเข้าใจคําว่ากิการไฟดีนะข้างหน้าที้จะใช้คํานี้เราก็ต้องรู้นะครับหมายกว่าทําการละเมิดนะครับวัตถุนั้นนะทั้งที่เจอรู้ทั้งรู้นะครับทําลงไปก็ดีหรือว่าสงสัยทําลงไปก็ดีสองควาผิดแล้วก็ทําลงไปก็ดีอนะครับ <S <S และคือเป็นอาบัติทั้งทั้งสามตอเรื่องเป็นกิการไฟดี ผมเขีให้ง่ายว่าเข้าใจสงสัยสำคัญผิดแล้วใช้ให้ซ้ำเป็นต้นหน้าเรื่องเป็นต้นเป็นระบบไปอีกทีเท่านั้นนะครับคิดว่าจิกลับไปอีกทีข้างหน้าเป็นอย่างนั้นเครับอนณาบัตนะครับที่สุไม่ต้องอาณบัตเมื่อที่สุนีผู้ไม่ใช่ญาติเป็นเพื่อนกับที่สุนีผู้เป็นญาติไม่ได้บอกให้สซ้งเลยซ้ำให้เองนะครับอันนี้เขาสซ้งให้เองไม่เป็นไรนะครับ ทพิสุนีซักจีวรที่ไม่ได้ใช้หรือบริคขาอื่นเอค่าอันนี้ไม่ได้ใช้นลยนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรับไม่ได้ใช้นะหรือว่าบริคขาอื่นก็ไม่เป็น อ, อ่าสิกขาโบสถสิกขามานานะครับหรือสมมาเนรสร้างให้ทีิสุบ่าเป็นต้องไม่ไปครับใช้ไปเลยท พ, พิสุบ่าใช้นะคครับใช้สิกขามานะสัมมาเนรีบาสิการตัวนี้ไม่เป็นค อ, องอาบัตนะครับสิขาบวนี้มีองสามคือหนึ่งเป็นจีวอเก่าแล้วที่ได้ใช้มานะสองี่สุ่อยู่ในอุ ป, ปจาราสังนามพิสุนีผู้มใชายาอุ ป, ปจาระคือสิบสองสองนะครับใช้เองหรือว่าสั่งผู้อื่นก็แลแต่นะในระยะนี้นะครับสามพิสุนีนั้นทำการสร้างเป็นต้นเมื่อพบองคา3ก็ต้องหลับไปตีในสิขาบวนี้ สิครับวันนี้เป็นสันจริตตัดสมุนธาสมุนธามั้ยนะสารจริตตัดจำได้ไห ม, มนนะช่าง ส, สืส่อคเขาช่างสื่อเนียนสุนาเขาเ่สุนาหกเลยเ น, นข่ข้อชา่างสืได้สุนฐาหกเลยนะช่างสื่อได้กายอย่างนีก็ยงังได้ใช้กาสาไม่ารถดนนีด้วยวาจายอยานีก็ได้ช่างกายด้วยวาจา่าถ้าไม่มีจิตอ น, นิพพุซะหน่อยนะ ข้อชักสื่อเนี่ยที่ว่าไม่มีจิตน่ะหมายเขาว่าอย่างไงครับไม่มีจิตอะไรข้ชักสื่อทำจิตไม่มีจิตอะไรไม่มีจิตไม่รู้อะไรเขาไม่รู้ภาพบรรยัตินะครับอย่างนึงรับแล้วก็ไม่รู้อะไรครับไม่รู้ว่าอยากขาดอะไรนะครับอย่างนี้สองแบบ ไม่รู้ภาพบรรยัติห่ือว่าไม่รู้ว่าอยากทางกันอะไรนะครับเนี่ยนะไอ้ชื่อว่าไม่มีจิตครับถ้ามีจิตก็ครู้ทั้งรู้นคะครับและความกลางมันะะมั่งนะครับมันมีจิตแต่ที่นี่ไม่มีจิตก็แปนลงนะครับไม่มีจิตก็เปลงนครับข้อนั้นนะครับอันนี้อสสัขาบุตรเอ็นามและเป็นกิริยาต้องประกาศทำโนสัญญาไม่โมกไม่รู้ก็ไม่พ้นอาจิตติการสนุ้ไม่รู้โดยลำบากนั่นนะครับ ปัญติวัชรนะครับไม่ใช่ที่ส่วนอย่างเดียวกายกรรมก็ได้วิจีกรรมก็ได้มีจิตสามวิทนาสาแหล่งนะครับพนานาการที่บากุรานาจิระสิกขาหทดตนะครับเก็บเวลาเก็อะไรบบนี้ว่าผมไม่ได้ถามปัญหาเยอะนะอนพอดีเร่งเครื่องกัน น, นะครับนี่นะความจริงนะครับ อ๋อพอถึงวันปวนาเนี่ยเราเริ่มสั่งเล่มเล่มสองไม่ได้เลยนะครับการขายเล่มสองเราสั่งไม่ได้นะเพราะเล่มหนึ่งเนี่ยมีติดแค่ห้าติดสองนะครับไม่มีแล้วครับเล่มสองต้องขายกระสาไงอ๋อครับ้ี่ก็ขายกระสาแค่เองหมดนะถ้ามีปวนาไม่เป็นไรใช้ปวนาเมนูบุษกได้บุษละร้อยนะครับอันนี้อันนี้เล่ม่ต้นไห ไม่รู้ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะให้ไปเลยไม่มีทอนอะไรใช่ไหมเลี่ยงเนละ <c oughs> <c oughs> ยไอ้ใช้ของสองอย่างส่วนหนึ่งนครับวันนั้าานะก็เกี่ยะครับอ้ยงยไม่รู้กันน้อยเหมือนนว่ให้กันน้อยนะครับหมเคครันี่นะครับก็เริ่ามามาได้แล้วนะครับผมว่าการว่าสึน้นสึ้นเดือนเนี่ยนะจะจบแล่นี้ครับพอเดือนต่อไปก็ขิ้นเล่มสองท่าเล่มสองก็ ถ้าไปเข้าไปอยู่ตีก็ไม่เท่าไหลนะจะช้าหน่อยบางสิขาหมดนะครับขอเจ็ดครับช้าเกี่ยวกับอะไรเรื่องกินโคชแน่ว่าแล้วก็เรื่องสังฆกรรครับอันนั้นก็จะไปช้านิดหนึ่งเพื่อใช้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรมครับเรื่องกินในเรื่องใหญ่นัะไม่ใช่ธรรมดานะครับไปช้ากว่าจำกับเรื่องกินเนี่ย มันมีอะไรละเอียดอะไรเยอะนะ <c oughs> แต่แต่เดี๋ยวในที่เนี้ยก็จะมีเรื่องหนึ่งกี่ยกับเรื่องอยานั่นก็นเภสัช <c oughs> ตรงนั้นนะพ่อเป็นหน้าใสใจะให้ดีนะครับพร้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวอะไรนเภสัชกใส่ให้ดีนี้ครับแล้วเรื่องทีเรื่องกับเรื่องกินเรื่องยาเรื่องตายเรื่องีเลี้ยงอดี่ที่ตรื่ ครับกได้เลยวันนี้ก็เช่นก่อนในคันส่งนี้ขอความเจริญงอกงามตั้งมาเปพุทธศาสนาจงเกิดทั้งหลายด้วยการทุกท่านแทนสาธุ